ข้อที่หนึ่งวิปัสสนามีสมถะนำหน้าคำพีปฏิสัมพิธามักอธิบายความว่าเบื้องแรกจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่สร่านสายมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจเนคขมมะคือความคิดสลัดออกไม่โลภไม่โผพันในกามก็ดีด้วยอำนาจอภยบาศคือคิดเมตตา อโลกาสัญญาทำใจนึกถึงแสงสว่างไม่ให้ง่วงเหงาอาวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านปราศจากอุทจจะธรรมะวะวัฏฐานการกำหนดข้อธรรมะซึ่งทำให้ไม่มีวิจิกิจฉาญาณความรู้ปราโมทความแช่มชื่นใจก็ดีด้วยอำนาจปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน จะตุตตาชาญด้วยอำนาจอากาานันจายตนาสมาบัติวิญญาณนันจายตนะสมาบัติอากินสัญญายาตนาสมาบัตินยยตนตเนวสัญญาณาสัญญายตนาสมาบัติก็ดีด้วยอำนาจกสินสิก็ดีอนุสติสิบอสุภาสิบหรือวิธีปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับอาณาปานาสติ3ารายการก็ดีไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม รันแล้วเกิดปัญญามองเห็นแจ้งซึ่งธรรมะทั้งหลายที่เกิดแล้วในสมาธินั้นๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าสมถมาก่อนวิปัสสนามาหลังคือเป็นสมถะปุพพังคมะวิปัสนาอธถกถาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกว่า ตามวิธีปฏิบัติอย่างที่หนึ่งนี้ผู้ปฏิบัติทำสมถะคือสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนจะเป็นอุปจาราสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได้จากนั้นจึงพิจารณาสมถะหรือสมาธินั้นไม่ว่าจะเป็นอุปจาราสมาธิหรือฌานสมาบัติชั้นใดก็ตามกับทั้งธรรมะอื่นๆทั้งหลายที่ประกอบร่วมกับสมาธินั้นให้เห็นสภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น จนอริยมรรคเกิดขึ้นสำหรับธรรมะเจ็ดประการตั้งแต่เนคขมมะถึงปราโมทนี้คำภีปฏิสัมพิามรรคใช้เป็นหลักสำหรับแสดงการเกิดขึ้นแห่งสมาธิระดับอุปจาระแก่พระสุขวิปัสสกาในหัวข้อนี้ในการแจกแจงแต่ละอย่างนั้นความจริง ยกมาแสดงเพียงแค่เนวสัญญาณาสัญญายาตนาสมาบัติเท่านั้นก็เพียงพอเพราะฌานสมาบัติก็จบสูงสุดเพียงแค่นั้นแต่ที่ท่านแสดงข้อธรรมต่อมาเช่นกสินเป็นต้นไว้ด้วยเพราะมุ่งความคนละแหนะกล่าวคือข้อธรรมะตอนต้นถึงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะยกมาแสดงในฐานะเป็นภาวะจิตที่เข้าถึง ส่วนข้อธรรมะต่อจากนั้นยกมาแสดงโดยฐานเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภาวะนั้นๆ